ในเช้าวันนี้ก็ขอให้พระพิสุสงฆ์สัมมนเนณเณรเมธีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจจงตั้งความเพียรเพื่อจะได้สร้างสิ่งที่เป็นกุศลให้ครับตัวเราเอง ทรงตั้งจิตตั้งใจตั้งมัน่นตั้งความศรัทธาตั้งความเลื่อมใสไว้ในกายไว้ในใจของตัวเราเองไม่มีใครจะบังคับให้เราทำได้ถ้าเราไม่ทำเราต้องทำด้วย ตัวเราเองเท่านั้นไม่มีใครบังคับให้เราเชื่อได้เราก็ต้องเชื่อด้วยตัวเราเองเท่านั้นไม่มีใครบังคับให้เราไปทำเลวได้เราต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้นไม่มีใครบังคับให้เราทำดีได้นอกจากเราต้องทำดีด้วยตัวเราเองเท่านั้นพระพิสุสงก็มีหน้าที่ไป มีหน้าที่เผยแพร่พระธรรมคาสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยตกไปในที่ชั่วเพื่อไม่ให้พระพิสุสงเนี่ยหลงตกไปในที่ชั่วเช่นเดียวกันการประพฤติปฏิบัติทมถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าถึงธรรมเราก็จะไม่รู้อะไรจริงๆเราก็จะไม่ได้อะไรเลย เพราะนั้นเชา้ามืดวาันที่บอกไปว่าให้เรารู้เหตุและรู้ปัจจัยที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะว่าอะไรเป็นสิ่งแล้วอะไรเป็นตัวกาหนดเนี่ยเราต้องพิจารณาอยู่เป็นประ จ, จำเราถึงจะเห็นได้ชัดเราถึงจะรู้ได้ชัดอะไรคือความพอดี อะไรคือความดีพอเราลองตำธมาธิแล้วก็ถามไปที่ใจเราเราจะพอแค่ไหนเราจะพ อ, อย่างไรทำอย่างไรถึงให้พอพอดีและทำยังไงให้มันดีพอเนี่ยเราจะทำยังไงก็นั่งพิจารณาไป ได้บอกไปว่ากายสังขารเราเนี่ยไม่มีอะไรไปมากกว่ากระดูกเนื้อหนังที่มันห่อหุ้มอยู่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้มีแค่นั้นเองมีกระดูกเป็นโครงสร้างมีเนื้อหนังเป็นหลังคาที่คอยฉับไรให้เรามีชีวิตอยู่แต่ชีวิตเจ้ากรรมของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย เมื่อมีชีวิตเกิดมาแล้วมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้ใช้ร่างกายไปทําอะไรก็นั่งพิจารณาไปร่างกายเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได้สร้างความดีให้กับตัวเองเนี่ยกี่ครั้งเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเนี่ยเราได้มาสร้างกุศลให้กับตัวเองเนี่ยกี่ครั้ง ต้องนั่งพิจารณาไปปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเราได้ฟังธรรมกี่ครั้งปีหนึ่งปีหนึ่งเราได้มาวัดกี่ครั้งเราก็นั่งพิจารณาไปอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เรามาถึงวัดอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้เราได้มานั่งฟังธรรมอยู่ในขณะนี้ก็นั่งพิจารณาไปกว่าชีวิต มนุษย์บนโลกใบนี้กว่าจะเรียนรู้ในแต่ละสิ่งในแต่ละอย่างเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปเมื่อวานว่าใช้เวลาไม่ใช่น้อยคนเรากว่าจะรู้อะไรกว่าจะเข้าใจอะไรเนี่ยก็ต้องไม่รู้มาก่อนก็ต้องโ ง, ง่มาก่อนทั้งนั้นถ้าเกิดมาเราฉลาดเลยเนี่ยก็ไม่ใช่มนุษย์ละ มนุษย์เนี่ยเกิดมาด้วยความไม่รู้ชีวิตคนคนเราเกิดมาด้วยความไม่รู้อย่างที่ได้บอกไปไอความไม่รู้ที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราแปรสภาพไปเรื่อยๆแปรสภาพจากที่เคยดีกลายเป็นไม่ดีแปรสภาพไปจากที่เคยทำแล้วก็ไม่ทำ แปสภาพไปจากที่เคยรู้แล้วก็ไม่รู้แปสภาพไปจากที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจทำไมชีวิตเราต้องเป็นอย่างนั้นเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเลย ไม่ได้เกิดขึ้นกับสิ่งเวทล้อมที่อยู่ข้างข้างตัวเราเลยเกิดขึ้นเพราะใจเราเท่านั้นเองใจเราเท่านั้นเองที่มันคอยทําลายกายเราอยู่ตลอดเวลาคอยทําลายความคิดเราอยู่ตลอดเวลาคอยทําลายความรู้สึกเราอยู่ตลอดเวลาทําไมใจเราถึงเป็นอย่างนี้เราลองถามไปที่ใจเราเองไอ้ใจที่มันคอยปรงแต่งอยู่ ใจที่มันคอยบังคับคอยลุมเล้าอยู่ในขณะนี้เนี่ยทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้และชีวิตมนุษย์เกิดมาแต่และชีวิตเนี่ยมีอาการ32เท่ากันถ้าไม่พิกลไม่พิการไม่บ้าไม่ใบหูไม่หนวกตาไม่บอดสามารถรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เท่าเทียมกับคนอื่น แต่ในการรับรู้เนี่ยเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้เท่ากันไม่สามารถรับรู้ได้เสมอกันเปรียบเสมือนคนมีสินกับคนไม่มีศิลเนี่ยคุยกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะสินไม่เสมอกันสินไม่เท่ากันคนเราถ้ามีสิลเหมือนกันมีสินเท่ากันจะคุยกันแล้วรู้เรื่องเราลองพิจารณาถ้าคุยกับใครไม่รู้เรื่องเนี่ย เขไม่ต้องคุยเพราะสินไม่เท่ากันสินไม่เสมอกันเขาไม่เข้าใจในเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นมนุษย์เกิดมาเนี่ยสร้างได้ความทั้งความดีและความชั่วสร้างได้ทั้งความทุกข์และความสุขสร้างได้ทั้งความพอใจและความไม่พอใจสร้างได้ทั้งความเกียรตชังทั้งความรักสร้างได้ทั้งความอิจฉาริษยา นี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาด้วยตัวเราเองใช้ใจเนี่ยเป็นสิ่งเล่าเป็นสิ่งกําหนดเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้นี่ให้เกิดขึ้นกับกายเราลองพิจารณาว่าอาการ32ของมนุษย์เนี่ยเมื่อเรามีครบทุกอย่างแต่เราทําให้มันขาดหายไป เราทําให้อาการ32สองที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันขาดหายไปมันทําให้สิ่งเหล่านี้ต้องมีตําหนิทําให้สิ่งเหล่านี้ต้องมีบาดแผลบาดแผลเพราะอะไรบาดแผลเพราะเราทําร้ายตัวเราเองหูเนี่ยเราลองคิดดูเนี่ย ทำไมมันถึงมีรูเพราะมันมีบาดแผลเปรียบเสมือนมันมีบาดแผลอยู่ถ้าหูไม่มีรูเนี่ยคนเราถ้าหูมันไม่มีรูเราฟังอะไรเราก็ไม่ได้ยินหูเนี่ยแทบจะฉีกแทบจะขาดอยู่แล้วเราลองพิจารณาให้ดีเหมือนหูมันฉีกมันขาดอยู่เลยมันจึงเป็นรูถ้าหูไม่มีรูเนี่ยเราฟังเราก็ไม่ได้ยินเสียง เขาพูดอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องเขาว่าอย่างไรเราก็ไม่รู้เรื่องฟังทำแล้วก็ไม่ได้ยินทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะโมันมีหน้าที่รับเสียงรับเสียงที่ดีก็ได้รับเสียงที่ไม่ดีก็ได้เราก็ใช้ใจปรุงแต่งเอา ใจมันคิดเอาว่าเราไม่ชอบเสียงที่ไพเราะเราไม่ชอบเสียงที่ดีเราชอบฟังเสียงที่นินทากันหูมันมีความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมีความรู้สึกว่ามันสนุกหูเพราะใจมันปรุงแต่งใจมันคอยบีบคอยคั้นให้หูมันต้องการอย่างนั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะ เราก็ลองดูจมูกก็มีบาดแผลมีรูสองรูเช่นเดียวกันถ้าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีรูจมูกเราจะหายใจทางไหนเราจะหายใจทางหูหรือเราจะหายใจทางปากเราลองนั่งคิดไปตอนนี้เนี่ยจมูกเรามีรูทั้งสองข้างลมสามารถเล็ดรอดออกมาได้ทั้งสองข้าง เราหายใจเข้าเราก็รู้อยู่ในขณะ น, นี้เราหายใจออกเราก็รู้อยู่ในขณะ น, นี้แล้วทำไมเราไม่พิจารณาให้ดีๆว่าลมหายใจในขณะที่เราทำสมาธิอยู่ในขณะนี้เนี่ยเราหายใจเข้ากี่ครั้งเราหายใจออกกี่ครั้งเพื่อให้เห็นการกําหนดลมอย่างต่อเนื่อง เราทำสมาธิเนี่ยเราไม่ได้กำหนดลมอย่างต่อเนื่องอะเราก็ไม่เห็นการเข้าการออกของลมนี่คือการทำสมาธิเบื้องต้นแต่เราก็ยังขาดสมาธิเรายังขาดสติอยู่เลยเราลองพิจารณาไปจมูกมันก็เลยมีบาดแผลเป็นรูโวเป็นช่องโวอยู่อย่างนี้ เพราะอะไรเพราะใจมันก็ปรุงแต่งเองเราไม่อยากหายใจเข้าแล้วเราไม่อยากหายใจออกแล้วไอ้ใจชั่วๆเนี่ยมันก็คิดอยู่อย่างนี้ทั้งๆที่เราต้องหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งวีทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีเนี่ยเราก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกไอ้ใจชั่วๆเนี่ยมันก็บังคับ มันก็ปรุงแต่งมันก็นึกคิดไปต่างๆนานาว่าไม่อยากนั่งแล้วไม่อยากกําหนดลมหายใจแล้วมันจึงเป็นอย่างนี้พอใจมันปรุงแต่งใจมันคิดบังคับไม่ให้จมูกมาในายใจมันแค่ความเป็นความรู้สึกของใจเท่านั้นเองแต่เรามองไม่เห็นความเป็นจริงว่าเราบังคับยังไงก็บังคับไม่ได้ บังคับไม่ให้ตัวเองหายใจเนี่ยมันบังคับไม่ได้เราที่ต้องบังคับเพราะว่าเราต้องการรู้ต้องการควบคุมลมให้เห็นลมเข้าลมออกอยู่ทุกขณะให้พิจารณาลมเข้าลมออกอยู่ทุกเวลาที่เราทำสมาธิแล้วเราจะรู้ ปากคนเราก็เช่นเดียวกันมันก็มีบาดแผลปากจะฉีกปากจะขาดแล้วมันคนโบราณบอกว่าพูดปากจะฉีกถึงหูแล้วยังฟังไม่รู้เรื่องยังฟังไม่เข้าใจคนโบราณ น, นี่เข้าเข้าใจเปรียบเทียบเนาะปากมันฉีกอยู่ตลอดเวลาปากมันปิดไม่ได้ คนโบราณเขาบอกว่าคนที่พูดมากเนี่ยเหมือนคนปากสว่างเราก็ลองพิจารณามันปากสว่างตรงไหนเราพูดมากเกินไปมันก็ทําให้ใจเราขุนมัวทําให้ใจเราต้องเป็นทุกข์ทําให้ใจเราต้องเป็นโทษผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องกําหนดกําหนดรู้ในอาการ32สองเนี่ยต้องกําหนดให้ละเอียด ต้องกำหนดให้ชัดเจนนี่ยังไม่หมดนี่แค่หูแค่จมกูกแค่ปากแค่สามอย่างยังไม่หมดยังไม่ครบ32ตาเราก็เช่นเดียวกันเราลองพิจารณาขณะ น, นี้เรานั่งหลับตาอยู่อยู่ในความสงบอยู่ในความนิ่ง ในความสงบในความนิ่งในการนั้นะี้เนี่ยไอ้ใจมันก็คิดอีกใจมันก็ปุงแต่งไปเล้าตาว่าทาไมนั่งแล้วเราไม่เห็นอะไรเลยทาไมนั่งแล้วมีแต่ความมืดทาไมนั่งแล้วมองอะไรก็ไม่เห็น นั่นคือสิ่งแล้วสิ่งที่กำหนดสิ่งที่คอยกระตุ้นให้ไอ้ใจชดชดเนี่ยมันทางานใจที่มันไม่เคยคิดปล่อยวางเลยใจที่มันไม่เคยว่างเลยมันคอยทำลายกายเราอยู่ตลอดเวลาทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นที่ใจมันคอยทำลายกายอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ตัวเอง เพราะเราไม่เข้าใจตัวเองจึงปล่อยให้ใจเนี่ยมันทำร้ายกายอยู่ตลอดเวลาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่างที่ได้บอกไปว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนหลังของโลกเมื่อวานนี้ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติลองพิจารณาว่ากายเราเนี่ยเป็นที่อยู่ เป็นที่อาศัยของโลกทุกชนิดของโลกทุกอย่างโลกอะไรบ้างก็ลองพิจารณาพิจารณาว่าหัวเราเนี่ยสมองเราเนี่ยเราลองพิจารณาว่าอยู่กับกายเราทุกวันทำไมเราต้องเป็นโรคสมองเสื่อม ทำไมเส้นเลือดถึงต้องมาแตกในสมองทำไมไม่ไปแตกที่อื่นมันมีอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยกายเราหรือเปล่าที่เป็นเหตุใจเราหรือเปล่าที่เป็นปัจจัยทําให้เราเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในสมองแตกทําให้เราต้องสมองฟอหรือว่าใครมาทําให้เราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า เราทำตัวเองทั้งนั้นการกระทำของเรานี่แหละมาทำลายกายเราเองเมื่อความคิดถูกกระตุ้นมากๆเมื่อความรู้สึกถูกกระตุ้นมากๆเมื่ออารมณ์มันถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยสมองก็เริ่มทำงานมากสมองก็เริ่มคิดมากฟุ้งซ่านมันเริ่มเกิดความเครียดเกิดความกังวล เกิดความทุกข์เกิดโทษขึ้นทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้เส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกได้แล้วลองพิจารณาว่าใครทําเราทําตัวเราเองทั้งนั้นเลยทำไมเราไม่ยอมโทษตัวเองกันซักทีเนาะทำไมเราหมัวแต่โทษทุกคนอื่น มันเป็นพ่อะอะไรหนอะพราะเรารักตัวเราเองมากเกินไปหรือเปล่าไม่อยากให้ความชั่วเกิดขึ้นกับตัวเองเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาทำไมเนอะทําไมกายเราถึงเป็นอย่างนี้ทำไมใจเราถึงเป็นอกุศลอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาใจที่เป็นกุศลของเรามันหายไปไหนหนอะลองถามดูมันไปอยู่ที่ไหนหนาะ ทำไมสิ่งที่เป็นกุศลทำไมเราให้เกิดขึ้นในใจเราไม่ได้หนอลองพิจารณาไปมันมีเหตุและปัจจัยที่จะต้องทำให้สมองฝ่อเส้นเลือดในสมองตีบตันบ้างเส้นเลือดในสมองแตกบ้างนี่เฉพาะหัวแล้วเราเราก็ไล่ลงมาดูที่หูเราอีก หูเนี่ยบางคนก็หูหนวกบางคนก็หูอื้อบางคนก็หูดับไปเลยบางคนก็น้ำในหูไม่เท่ากันบางคนก็เป็นเยื่อแก้วหูอักเสบข้าไปอีกมันเป็นเพราะเหตุอะไรหนอททำไมถึงเกิดขึ้นกับกายเราใครทำให้โรคนี้มันเกิดหนอลองถามดูสิ ถามไปที่ใจตัวเองนั่นแหละทำไมเราไม่คิดถึงเหตุถึงปัจจัยว่าทำไมหูเนี่ยที่ไม่ได้ยินพ่ออะไรหูที่มันต้องอื้อเพราะอะไรหูที่มันต้องหนวกต้องบอดเพราะอะไรมันมีเหตุมันมีปัจจัยของมันหูเนี่ยมีหน้าที่รับเสียงแล้วใจเนี่ยก็มีหน้าที่ คอยบังคับคอยปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาให้หูเนี่ยอยากได้รับฟังเสียงแบบในอยากฟังเสียงชนิดใดหูมันก็รับเมื่อหูมันฟังเสียงแต่สิ่งที่เป็นอัปมงคลเนี่ยนี่มันเป็นเหตุที่ทำให้หูเนี่ยต้องอื้อใครพูดอะไรก็ฟังไม่ค่อยได้ยินใครพูดอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่อง เพราะมันมีแต่สิ่งที่เป็นอับประมงคนเข้าไปในหูหูมันถึงเป็นอย่างนี้ตาเราก็เช่นเดียวกันลองพิจารณาไปมันมีแต่โลกทั้งนั้นร่างกายของคนเราตอนเราอายุไม่มากเนี่ยตาเราก็ใสแจ๋วเลยไม่มีความขุ่นมัวเลยในดวงตา กลับกันมาเปรียบเทียบในตอนนี้ทำไมตาเราเริ่มมัวลงทำไมตาเราถึงมองอะไรไม่เห็นทำไมตาเราถึงฝ้าฟางแล้วทำไมตาเราต้องเป็นต้อกระจกทำไมต้องเป็นเนื้องอกในดวงตาทำไมต้องเยื่อในตาอักเสบมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะเราใช้สายตามากเกินไป สายตาที่คอยจดคอยจ้องคอยดูคอยจับคอยมองอยู่ตลอดเวลานเนี่ยเราใช้ถูกหรือเราใช้ผิดเราใช้ไปตาเนี่ยไปมองในสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้กับตาตัวเองสิ่งที่เป็นอัปมงคลเกิดขึ้นกับตาตัวเองเนี่ยมันก็มาทำร้ายตาและมันก็ไปทำร้ายใจเราอีกเช่นเดียวกัน เมื่อมันไปทำร้ายใจใจมันก็ปรุงแต่งปุงแต่งทำให้ตาเราเนี่ยต้องเอียงบ้างเอียงไปทางซ้ายทำให้ตาเราเอียงไปทางฝาทำให้ตาเราสั้นทำให้ตาเรายาวนี่คือเหตุคือปัจจัยคือเหตุคือปัจจัยที่ทำให้ต้องเกิดพอเราใช้ชาพอเราจะใช้สายตาเนี่ยไปทำตาฝาังใส่คนอื่น ใช้สายตาไปจิกคนอื่นใช้ปากจิกไม่ได้ก็ใช้สายตาจิกก็ได้มันเป็นเหตุที่ทําให้สายตาเราต้องเป็นอย่างนี้เราอย่าไปสงสัยว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับกายเราเกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะเราสร้างมันขึ้นมาเองเราทําลายมันเองอยู่ทุกวันอายการสาสสองในร่างกายของเรานี่แค่ตาเนะ จมูกของเราก็เช่นเดียวกันเราลองคิดดูเนี่ยโลกทั้งนั้นที่อยู่กับเราบางคนก็โพรงจมูกอักเสบอาจจะเป็นภูมิแพ้อาจจะเป็นใส่นัดทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเราลองพิจารณาไปจมูกเนี่ยทำหน้าที่ไว้ดมกลิ่นให้แยกแยะว่ากลิ่นนี้ดีกลิ่นนี้ไม่ดี กลิ่นนี้หอมกลิ่นนี้เหม็นแต่จมูกมันแยกแยะเองไม่ได้สิ่งที่ไปแยกแยะได้ก็คือใจเราเองนั่นแหละใจมันคิดไปเองใจมันปรุงแต่งไปเองเมื่ออะไรมาถูกใจมากระทบใจใจรู้สึกชอบบอกว่าหอมใจรู้สึกไม่ชอบบอกว่าเหม็นใจรู้สึกว่าดี บอกว่าดีใจมันรู้สึกว่าไม่ดีมันก็บอกว่าไม่ดีแล้วลองพิจารณาไปอีกว่าปากเราก็เช่นเดียวกันโลกท้งนั้นในช่องปากปากก็เป็นแผลเนี่ยรักษายังไงก็ไม่หายปากมันหุบไม่ได้ปากมันปิดไม่ได้ทำให้เราต้องอ้าอยู่ตลอดเวลาทำให้ต้องด่ากันว่ากันนินทากัน เถียงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะปากมันหุบไม่ได้ปากจะหุบได้ก็ต่อเมื่อต้องเอาเข็มร้อยได้แล้วก็มาเย็บให้มันติดกันมันถึงจะหุบได้แม้กระทั่งเรานอนหลับเรายังไม่หุบ ป, ปากเลยอ้าปากนอนกอนขอข้อขอ้ขอข้ออยู่ปากก็ยังไม่หุบมันหลับไปแล้วเนี่ยมันยังอ้าปากได้อยู่เลยไอ้มนุษย์เนี่ยมันน่ากลัวขนาดไห น, นลองพิจารณาไป แล้วสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้เกิดขึ้นกับปากเราเนี่ยมันจะทำให้ก่อเกิดอะไรบ้างลองพิจารณาไปบางคนก็ปากเน่าบางคนก็ปากเปื่อยบางคนก็เหงือกอักเสบบางคนก็ฟันคุดฟันผุฟันเป็นมนแรง บางคนก็เป็นมะเร็งในช่องปากเองเกิดมาก็เพิ่งจะเผยพบเคยเห็นสิ่งที่มันเกิดเราเนี้มันเกิดเพราะอะไรมันเกิดเพราะเราใช้วัตจีก็คือคําพูดวัตจีที่มันออกมาจากปากเรานี่แหละไอ้ลมปากที่มันเล็ดลอดออกมาอยู่ทุกเวลานี่แหละมันทําให้เราต้องเป็นโรคทําให้เกิดอาการอย่างนี้อย่างนั้นขึ้นมา ้เราลงพิจารณาว่าในขณะนี้เนี่ยปากเราก็สงบแล้วแต่ใจเราสงบหรื อ, อยังเราทำสมาธิเนี่ยเราจะให้สมาธิก่อเกิดภายในกายภายในใจเราเราถามใจเราเรามองใจเราและเห็นใจเราว่าใจเราสงบหรื อ, อยังใจเราพอหรื อ, อยังกับสิ่งเหล่านี้เนี่ย กับสิ่งที่จะต้องทาร้ายกายเราไปตลอดเวลาทำร้ายชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะทำไปเพื่ออะไรเราทำแล้วเราจะได้อะไรให้ทุกคนทุกท่านตั้งใจคิดพิจารณาให้ดีๆนี่ยังไม่เข้าไปในกายนะยังไม่เข้าไปในหัวใจยังไม่เข้าไปในปอดในถุงน้ำดี ในม้ามในตับในลำไส้เล็กในลำไส้ใหญ่มีแต่โลกทั้งนั้นเลยเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยของโลกโลกที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้อยู่นอกตัวเรามันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นแต่เรามองไม่เห็นมันเราจะเห็นมันก็ต่อเมื่อมันทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์ เราจึงจะเห็นโลกเหล่านี้อย่างชัดเจนขึ้นก็ให้ผู้ประพฏิบัติทั้งหลายจงพยายามพิจารณากายตัวเองให้ดีๆพิจารณาใจตัวเองให้ดีๆแลวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าก็จะลงมาที่ใจให้ถึงใจเลยให้รู้ใจเลยว่าใจเราเนี่ย มันมีโรคอะไรบ้างปอดมีโรคอะไรบ้างตับมีโรคอะไรบ้างลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ลงพยันทาวานันหนักทาวันเบามีแต่โรคทั้งนัดไม่มีอะไรดีเลยชีวิตเหล่านี้สิ่งที่เราจะทําได้เนี่ยสิ่งที่ดีมันก็ต้องมีระยะเวลาของมันเราไม่มีโอกาสเราก็ไม่ได้ทําดี เราไม่มีโอกาสเราก็ไม่ได้สร้างกุศลให้กับตัวเองเพราะนั้นความดีสิ่งที่เป็นกุศลในช่วงขณะหนึ่งเนี่ยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ10นิบนาที15นาที20นาทีเนี่ยก็ยังดีที่เรายังทําให้ตัวเองได้พอเดี๋ยวเราลืมตาเนี่ยความดีที่เราทํามายี่สนาทีเนี่ยหายไป1ิบแล้วเหลือแค่10บเองเราสงบได้ตอนที่เราหลับตานี่ย เดี๋ยวพอเราลืมตาปุ๊บเนี่ยสติก็หายปัญญาก็หายสิ่งที่เรากำหนดอยู่ก็หายไปเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็ฝากไว้ให้พระพิสุสงและสามมณนแมชีอุบาสกอุปาสิกาได้พิจารณาว่าทำยังไงให้พอดีและทำยังไงให้ดีพอและเราจะเข้าใจในสิ่งที่เราปฏิบัติมากขึ้น เอาละในเช้าวันนี้ก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดเป็นคติเตือนใจเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในวันต่อไปก็น่า จ, จะพอเพียงเท่านี้ก่อนนิมนต์ครับ